นอบน้อมต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบขอโอกาสลมพกลม่กรมกราบขอโอกาสประจันปัฒนชัยขอโอกาสพวกเราเพื่อนสาธรรมิกเจริญพรนะไม่ฉี่นะแล้วก็ญาติโยมก็เว <c oughs> <c oughs> ลาสวดมนต์เนาะก็เป็นความ <c oughs> ก็เป็นหลายอารมณ์นะ <c oughs> แต่ว่าอารมณ์หนึ่งก็คือก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนาะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบพระพุทธเจ้าก็ท่านก็จากพวกเราไปนานานะแต่ว่าสิ่งที่ท่านทิ้งไม่ให้นะอย่างบทสวดมนต์ที่เราสวดกันนี้ก็ ก็เป็นสิ่งที่สวดทีไรนะก็เออก็ดีทุกที <c oughs> อย่างวันนี้ก็สวดก็เหมือนกับที่เมื่อวานนี้อาจารย์อ๋อท่านว่านะสวดบันนึงนะแล้วก็สวดผิดสวดก็มีนะก็ต้องมีผิดนิดผิดหน่อยอะไรเงี้ยนะมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าทํานองเดียวกันนะมันก็มีพวกเราใช่ไหมก็เหมือนกับกาลยานามิตรนะพวกเราก็สวดกัน ตรงนั้นคนอื่นไม่ผิดเราผิดนะเราก็เออล้วก็เกาะตามทางกันไปคนไหนเดินถูกแล้วก็เดินตามไปอะไรต่างๆท้ายสุดนะเออก็สวดมนต์จบก็เหมือนกับพวกเราก็อยู่กันในหลวงวัดเนาะใช่ไหมอย่างนี้คนนั้นก็มีคำแนะนำนิดคนนี้ก็มีคำแนะนำหน่อยนะอย่างนี้พวกเราก็เดินกันไปนะบนทางธรรมแบบนี้ ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าก็นึกถึง <c oughs> บทสวดที่พระเจ้าให้ไว้อเสวนาจะพาลานังเนาะตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับมีอยู่บทหนึ่งที่เรียกว่าปฏิรูประเทสมาโสจนะการอยู่ในประเทศอันสมควรอย่างเงี้ยคือพอเราอยู่ในที่สมควรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ได้รับสิ่งดีๆจากที่นั้นนะโดยที่เขาเรียกว่าจะได้รับสิ่งดีๆจาก บรรยากาศโดยรวมจะได้รับสิ่งดีๆจากผู้คนที่อยู่ตรงนั้นจะได้รับสิ่งดีๆจากมุมไหนก็ตามเนี่ยก็มีมุมหนึ่งแน่นอนอที่จะต้องได้รับสิ่งดีๆตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราจะรู้เราจะเห็นหรือเปล่านะก็อีกเรื่องหนึ่งตรงเนี้ยนะนั่นนั่นคือตรงเนี้ยการเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยเนาะยิ่งสุกโตเรานะเป็นวัดปฏิบัติเนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีร่มเงาเนาะของ พุทเจ้าอยู่แล้วมีร่มเงาของธรรมะอยู่แล้วแล้วก็มีบูชนียบุคคลมีหลวงพ่อคําเขียนเนาะที่ท่านก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาตรงนี้ น, น, นะเห็นไหมตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเหมือนกับอบอวนอยู่ในบรรยากาศพออบอวนอยู่ในบรรยากาศเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นอื่นเนาะ จะได้วันนี้จะได้วันไหนอะไรยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยเนาะทำตามวัดปฏิบัติไปเนี่ยยังไงก็ตามต้องได้แน่นอนเพราะนั้นก็คือตรงเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าเราเนี่ยเหมือนกับว่าได้ทำตามพระธรรมเนาะได้ทาตามพระธรรมลองทำไปนะลองทาไปสิ่งตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าให้เราเนี่ยได้ลองลองตรวจสอบตัวเราเองดู นี่คำว่าตรวจสอบตัวอไรเองดูเนี่ยก็ต้องอ้างอิง <c ười> คำสอนของหลวงพ่อนะอย่าคิดเอานะ <c ười> ลองทำดูนะ <c ười> ตรงเนี้ยลองทำแล้วเราก็ลองพิจารณาดูก่อนนะคาว่าพิจารณาดูก่อนตรงนี้ก็ไม่ใช่คิดเอาอีกนะอยากคิดหาคำตอบเนี่ยตรงเนี้ยก็เราก็มีเครื่องมือนะที่นี่ใช่ที่นี่ก็เป็นสถาบันนะสติปฐานนั้นนั้นคือตรงเนี้ย ก็ต้องไม่หนีไปจากการใช้สติเนาะการที่เราจะมีสติไปกับการทำอนุนั้นทำอันนี้อะไรเงี้ยนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่ว่าทำนองเดียวกันเนี่ยการที่เราจะมีสติเนี่ยที่จะกลับมาดูกายดูใจเราในขณะที่เราทำอนุน้นอันนี้เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นอนิสงฆ์นะจะเป็นอนิสงฆ์จะเป็นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมจะเป็นความเพียรที่เราจะได้ประโยชน์ในทางธรรม นั่นน่คือตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราก็ต้องหัดกันจะหัดจากรูปแบบที่มีอยู่ก็ดีจะหัดนอกรูปแบบก็ดีเราก็มีโอกาสที่จะทำกันทั้งวันเนาะอย่นั้นตั้งแต่ตื่นจนหลับนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เ็าเรียกว่าก็ได้นึกถึงหลวงพ่อเทียนนะที่ท่านเองท่านก็ได้วางเขาเรียกว่าได้วาง รูปแบบการปฏิบัติอนิไว้ได้วางหลักการของการปฏิบัติอนิไว้ก็คือการที่เราอาศัยเนาะกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวก็เรียกว่าเป็นตัวที่จะให้เราเนี่ยได้ทำกรรมฐานนั่นนันคือตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับมันจะทำให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันไม่เป็นการเคลื่อนไหวที่ก็เรียกว่าเปล่าปาปลีป้เนาะ อย่างนั้นจะไม่ใช่เป็นเรื่องเหนื่อยไปเปล่าๆแต่ว่าพอเวลาที่เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ตามความรู้ตามความสามารถตามความเคยชินที่เรามีเนี่ยถ้าเราเติมนะเรียกว่าเติมการที่เราจะมีสติคอยดูกายคอยดูใจไปตรงนี้มีผลนะก็เรียกว่ามันจะมีผลไปเองมีผลทีละเล็กทีละน้อยมีผลเริ่มจากการที่ เราอาจจะเริ่มต้นจากการทำไม่ค่อยเป็นทำไม่ค่อยได้แต่ว่านั่นคือตรงนี้เนี่ยถ้าเราเพียรเนาะเพียรที่จะทำเพียรที่จะทำเนี่ยเราก็จะเหมือนกับ <c oughs> ขเขาเรียกว่าจะได้รับผลของความเพียร น, นั้นก็คือจะทำได้มากขึ้นทำได้มากขึ้นเมื่อวานนี้ก็เข้าไปทำงานอยู่ในครัวก็เห็นน้องพลอยนะหลานไม่ชีทองอยู่ตัวเล็กๆ ก, ก็น่าจะหกเจ็ดขวบ ก็เขาก็เหมือนกับว่าถึงเวลาหนึ่งที่เขาแบบว่าไม่ได้เล่นกับเพื่อนเนาะเขาก็เข้ามาในกลัวก็เข้ามาช่วยยาย <c oughs> ก็คือช่วยแม่ชีธงอยู่เนี่ยทําพอดีเมื่อวานนี้ก็แม่ชีธงอยู่ก็ทำํำออะไรนะก็เรียกว่าทํากุายา้ยช่าะซ้ําอีกทีหนึง่งเมื่อวานน้องพลอยเขาก็มาช่วยแล้วทีนึง่งวันนี้ก็ก็มาช่วยอีกนะอย่างเนี้ คือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าคือเวลาเดียวกันนะเด็กนะอีกจำนวนหนึ่งก็เล่นสนุกสนานอยู่เนาะนั่นคือก็เล่นอยู่ในวัดนี่แหละก็ดีดีนะแต่ ว, ว่าน้องพลอยเองเขาก็มาเล่นอีกทางหนึ่งก็คือมาเล่นมาเล่นทําขนมกับยายเนาะอย่างเนี้ยอย่างนั้นคือจริงๆที่ดูว่าเป็นเล่นก็คือเขาก็สนุกนะสนุกที่จะทาแล้วก็เห็นเขาก็ทาอยู่ประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงนะเขาก็เหมือนกับยังสนอกสนใจที่จะทำทำดีหรือไม่ดีเนาะอันนั้นตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ถ้าเทียบเนาะกับผู้ใหญ่ก็ดูไม่ได้หรอกแต่ถ้าเทียบว่าเออนะเขาอยู่ตรงนี้นะเขาอยู่ในประเทศที่เขาอยู่กับเพื่อนเล่นกับเพื่อนนอกครัวนะตรงนั้นประเทศตรงนั้นก็ยังไม่สมควรเท่ากับประเทศที่เขา กำลังอยู่ตรงครัวแล้วก็อยู่ตรงนั้นเพราะเนื่องจากว่าตรงนั้นอะ่ะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันก็เป็นประโยชน์ขึ้นอีกนิดหนึง่งอย่างน้อยที่สุดก็ใช่ไหมเกิดมีคนสักคนนึงบอกว่าเออเนี่ยนะขนมกุยช่ายเนี่ยเป็นฝีมือของน้องพลอยนะอะไรต่างๆนี่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเขาเองเขาก็คงจะได้รับกําลังใจที่เขาก็จะเหมือนกับว่าเออนะอาจจะอยากมีตัวตนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงตรงนั้นก็ เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่านั่นคือคำชมของผู้ใหญ่หรืออะไรต่างๆก็อาจจะทำให้เขาเดินเข้ามาใช้เวลาเนาะต่างไปเวลาที่เล่นสนุกกับเพื่อนก็มีแต่เวลาหนึ่งที่เขาเข้ามาในครัวก็มีซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเขาเริ่มทำเนาะทำได้ทาไม่ได้ทำได้ทำไม่ได้เนี่ยปีหนึ่ง่านไปเนี่ยรับรองได้เลยว่าไอ้ขนมกุ้ยช่ายที่เขาทำเนี่ยต้องได้ดีขึ้นเมื่อวานนี้ก็มีป้ า, ปาเนาะ หลายคน <c oughs> ก็เจ้าว่าก็ผู้ใหญ่หลายคนที่ทํากันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นก็เอื้อเฟือน้องพลอยมือน้องพลอย ก, ก็เล็กๆเกนาะใช่ไหมผู้ใหญ่ก็เอื้อเฟือให้น้องพลอยเนี่ยได้แผ่นแป้งที่มันขนาดพอมือเขาเนาะอย่างเงี้ยเขาก็ทํา <c oughs> เขาก็ทำํำ <c oughs> เ้าก็เห็นเขาก็เพียรทํานะอย่างเงี้ย <c oughs> ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับก็เรียกว่าการทำเนาะ การทำการลงมือทำเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยได้เอาใจใส่เนาะที่จะทำให้ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยตรงนั้นนะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าโอกาสมันมีอยู่แล้วล ะ, ละถ้าเราเติมเข้าไปเติมความเอาใจใส่เข้าไปเนี่ยเราก็ต้องทำได้ดีขึ้นนะแล้วก็ทำได้ดีขึ้น ใ, นในเวลาที่เร็วขึ้นด้วยเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเหมือนกับทาไปตามแกนแก น, นะผู้ใหญ่ใช้ให้ทาก็ทาไปนะ ทำไปตามใจที่ไม่อยากทำเนาะแล้วก็ทาทาไปเนี่ยใจก็ไปอยู่ทางหนึ่งเนาะกายก็ไปอยู่ทางหนึ่งอะไรต่างๆตรงนั้นก็ก็จะผลช้าแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเอาใจใส่เนี่ยเราก็จะทาได้ดีขึ้นดีขึ้นได้พัฒนาตัวเองแต่ทําเนินเดียวกันพพวกเราอยู่ในลั้วัดสุกโตเนี่ยถ้าเกิดวราพวกเราเนี่ยได้เติมสติเข้าไปเนาะ ในการที่จะได้เห็นความเป็นไปของกายเราได้เห็นความเป็นไปของใจเราเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเราก็จะได้มากขึ้นแทนที่จะได้เป็นอย่างเดียวเนี่ยก็ได้ธรรมะด้วยทาเป็นด้วยได้ธรรมะด้วยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือนะที่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็ได้ให้ไว้เป็นเครื่องมือที่พุทธเจ้าเนี่ยก็ได้แนะนาเอาไว้ สติเนี่ยเป็นมารดาของธรรมทั้งปวงเนี่ยเป็นแม่เนาะสติเนี่ยคำว่าเป็นแม่ก็เป็นผู้ให้นะให้ทุกอย่างแน่นอนแค่นี้เพียงแต่ว่าเราจะรับหรือเปล่าเราจะรับได้ไหมเปิดช่องรับถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพุทธเจ้าเองคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเพราะว่าไหนเพราะว่าสิ่งที่รพุทธเจ้าสอนเนี่ย เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเพิ่มเติมเข้าไปจากชีวิตประจำวันนะสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่เรามีอยู่ในชีวิตก็คือสิ่งที่เรามีกายอยู่แล้วมีใจอยู่แล้วเนาะมีเวทนาอยู่แล้วมีธรรมอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าก็หยิบเอาของพวกนี้ลหละออกมาออกมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เหมือนกับได้มองเห็นสิ่งที่มีอยู่ ที่มองเห็นสิ่งที่มันอยู่เนี่ยเราก็มีตาที่จะมองเห็นเนาะนัร น, นั่นคือตรงนี้ว่าตาไม่พอนะต้องมีสติเพราะเนื่องจากว่าสติเนี่ยจะเห็นมากกว่าตาหลวงพ่อเองก็ได้พูดถึงสติว่าตรงนี้เหมือนตาบิเศษเพราะว่านั่นคือเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องหัดเพราะเนื่องจากว่าเรามีของดีอยู่กับตัวนะ มีของดีอยู่กับตัวถ้าเราไม่ใช้เนี่ยก็เปล่าประโยชน์เลยแล้วก็ของที่ดีตรงนี้หลวงพ่อคำเขียนก็บอกว่าเป็นของวิเศษเลยล่ะนั่นก็คือตรงนี้นำมาเราหัดเจริญสติกันไปเนี่ยหัดเจริญสติกันไปตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ก็เรียกว่าเป็นการทำที่เหมือนกับจะเปล่าประโยชน์เนาะหรือว่าจะเป็นการทำที่เพียงเพียงแค่กิจกรรมเนะที่เราจะมาทำเมื่อเราอยู่ในรัววัด แต่ว่าตรงนี้เป็นเครื่องมือที่เราสามารถติดตัวเอาไปนะแล้วก็เอาไปใช้ได้จริ ง, รงๆไม่ใช่ติดตัวมันติดตัวเราอยู่แล้วล่ะแต่ว่านั่นคือคําสอนเนี่ยเนาะก็ติดตัวเราไปแล้วก็เราก็ลองหยิบใช้ดูนะจะเป็นการลุกการนั่งการยืนการเดินการนอนอะไรเงี้ยว่านึกถึงหลวงพ่อที่หลนะวงพ่อกำเขียนก็ได้มอบเนาะก็เรียกว่ามอบ วิธีการปฏิบัติธรรมเนาะให้กับเราเนี่ยอย่างง่ายๆนะก็มีก็เรียกว่ามีคําสอนอยู่ชุดหนึ่งที่ตั้งชื่อว่าทํำดีได้ทุกที่เนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นคําสอนที่ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อสอนอยู่หลวงพ่อสอนอยู่เป็นปกติมากๆนะก็คือเหมือนกับว่าให้เราได้อาศัยอิเลียบทอย่างที่พระพุเจ้าบอกนี่แหะยืนเดินนั่งนอนนี่แหละ ให้เป็นประโยชน์ถ้าเราอาศัยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็จะทําดีได้ทุกที่เพราะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ให้เราก็ได้สังเกตกันเนาะเหมือนกับพอมีลาที่เรานั่งอะ่ะเราก็นั่งเป็นอยู่แล้วนะยืนเป็นอยู่แล้วนะเดินเป็นอยู่แล้วนอนเป็นอยู่แล้วแต่ว่าทํายังไงเนาะถึงจะทําดีกับการนั่งทํำยังไงถึงจะทําดี <laughs> กับการยืนทํำยังไงถึงจะทําดีกับการเดินการนอนตรงเนี้เป็นสิ่งที่พอเราเนี่ยเอาสติเข้ามาสํารวจเราเนี่ยการนั่งที่เรานั่งอยู่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นการนั่งที่ไม่เบียดเบียนตัวเองเนาะใช่ไหมยอย่างเนี้ย <laughs> เพราะว่านั่นคือพอไม่เบียดเบียนตัวเองเนี่ยก็ทําดีนะนั <laughs> ่นนั่นคือตรงเนี้นะว่าเออเวลาที่เราเอาสติสํารวจท่านั่งเนี่ยเวลาไปปฏิบัติธรรมนะกับญาติโยมก็จะ แบบอ่ะก็มักจะพูดคำนี้ขึ้นมาเป็นคำแรกนะเอา้าลองดูซิว่ารานั่งสบายได้ยังยอะไรเงี้ยพอเวลาที่พูดคำแบบนี้เนาะก็ไม่เห็นญาติโยมคนไหนเอาตามองสักคนนะแต่เห็นญาติโยมหลายคนก็จะขยับตัวเพื่อที่ว่าจะนั่งให้อยู่ในท่าที่สบายขึ้นถนัดขึ้นยอะไรเงี้ยตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่มันก็มองเห็นทันทีนะว่าเออนี้พอเราเนี่ยคอยรู้สึกเนาะ คอรู้สึกไปกับการนั่งเนี่ยเนาะเราก็นั่งอยู่นะแต่ว่าพอเราไม่รู้สึกกับการนั่งถ้านั่งมันก็อาจจะเป็นการเบียดเบียนตัวเองนะอาจจะเป็นสันหลังโคตบ้างอาจจะเป็นสันหลังงอบ้างอะไรต่างๆหน้าเหล่านี้อาจจะเป็นก้มมากไปเงยมากไปบ้างอะไรต่างๆตรงนั้นจะพอเวลาที่ใช้ความรู้สึกนะสํารวจปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตนะมันก็จะมีการปรับนะปรับจะไปอยู่ในท่าที่ดีขึ้น พอปรับไปอยู่ในท่าที่ดีขึ้นผลก็คืออะไรผลของการที่เราใช้สติสังเกตท่านั่งของตัวเราเองเนี่ยมันก็จะปรับจากทุกเป็นไม่ทุกอย่างเนี้ยนั้นก็คือตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เป็นไปได้โดยไม่ได้ยุ่งยากอะไรอะไรเงี้ยนั่นั่นคือตรงเนี้ยเวลาที่เราปฏิบัติกันเนี่ยไอ้การที่เราจะวางเนาะการที่เราจะวางวางไปบ้า จะได้อะไรยังไงเนี่ยวางไปเลยเพราะว่าไอ้จะได้อะไรยังไงเนี่ยมันเป็นการคิดยุ่งคิดยากคิดให้ทุกข์ไปแล้วอะไรเงี้ยนั่นคือพอเรามาอยู่ในรั้ววัดนะพอเราทําตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์ทำอะไรต่างๆนานาเราเนี่ยก็ดีไปแล้วเรียบร้อยแล้วเหมือนอย่างน้องพลอยเนี่ยพอเข้าครัวไปนะไอ้การที่เขาเองก็จะได้กอบกุศลนะแทนที่จะเล่นไปวันๆหนึ่งอะไรเงี้ยนะ เขาก็ได้เล่นไปด้วยนะได้ก่อกุศลไปด้วยก็ดีมากแล้วนะอย่าแบบคิดว่าเออนี่อีกหน่อยก็จะต้องเป็นแม่ครัวที่เก่งแน่ๆเลยอันนั้นมันก็เป็นอนาคตมากเลยแต่ว่านาทีนั้นะ่ะมันก็ดีไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วอะไรต่างๆแต่ส่วนถ้าเกิดว่าเขาเข้าบ่อยขึ้นเอาใจใส่มากขึ้นสังเกตมากขึ้นอีกหน่อยก็จะทำได้เป็นมากขึ้นตอนนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความรู้เนาะที่เพิ่มเติมขึ้นมาจาก ความรู้ที่เขาเรียนอยู่ในโรงเรียนตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความรู้ที่เรากําลังจะได้รับจากการที่เราอยู่ในวัดนะการที่เรายกมือปลายเอามือมาอย่างที่หลวงพ่อเทียนบอกตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยทำนะแบบที่หลวงพ่อเทียนบอกก็คือหนึ่งก็คือทําท่าทางนะเรียกว่า14จังหวะแล้วเนี่ยเดินจงกรมแล้วทําท่าทางแบบนั้นแล้วเนี่ยแล้ก็เหมือนกับ เอาใจใส่เนาะสังเกตอีกนิดนึงกับท่าทางเติมสติเข้าไปเนาะในการที่จะมองเห็นกายมองเห็นใจนะอย่างเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเาเรียกว่าจากการเห็นเนี่ยจากการเห็นเนี่ยมันจะต้องเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนแล้วก็พอเวลาที่ใช้สติเนี่ยเห็นเนาะก็เรียกว่ามองกายมองใจเนี่ย การที่จะเห็นกายในกายการที่จะเห็นใจในใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องเป็นไปอยู่แล้วละเพราะว่านั่นคื อ, อเราเนี่ยดูอะไรอยู่ทุกวันทุกวันเนาะดูมันก็ต้องเห็นเนาะใช่ไหมอย่างนั้นถ้าเราแบบเขาเรียกว่าวิญญาณตาของเรายังมีอยู่นะเรายังเห็นเห็นรูปอะไรอยู่เนี่ยตรงนเนี้ยเนาะเราก็เหมือนกับมารายละเอียดต่างๆที่ผ่านจากการผ่านดูผ่านการดูทุกวันผ่านการดูทุกวันเนี่ย มันต้องมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นแน่นอนอย่างนี้นะอย่างอยู่ที่นี่นะอยู่ที่วัดเนี่ยก็เดินผ่านเดินผ่านก็เรียกว่าสะพานข้ามน้ำเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อก่อนก็จะมีบัวนะขึ้นพอมีการพัฒนาวัดไปนะบัวที่เคยขึ้นอยู่นะก็ตายไปก็ไม่รู้เรียกพัฒนาหรือเปล่ายังไงแต่นั่นก็คือ บัวตายนี้ก็เป็นฝีมือได้ความหวังของการพัฒนานะเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้มีย่าขึ้นนะพอไม่อยากให้มีย้าขึ้นลงไปลุยย่าเนี่ยนะตัวบัวก็หายไปด้ว ย, ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเดินข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาเนี่ยก็เห็นบัวอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนะก็เราก็ไม่ได้เหมือนกับว่าก็ดูก็เห็นไปนะ ถึงไม่สนใจมันก็เห็นนะเพราะนื่งจากว่าพอเราข้ามไปนะบัวมันก็อยู่ข้างใต้นั้นนะบางวันน้ําขึ้นมาสูงเราก็เห็นเออนี่เขาก็จะ ม, มามาใกล้าตาเราบางวันน้ํามันลงไปต่ําเราก็เห็นเขาไกลาตาแต่ไม่ว่าจะเห็นใกล้เห็นไกลเนี่ยมันก็เห็นอยู่แ ล, ล้วล่ะเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยพอเห็นเห็น บ, บ่อยๆเห็น บ, บ่อยๆเนี่ยก็แยกแยกออกนะว่าเออตอนนี้นะบัวอันนี้กําลังจะโลยบัวอันนี้กําลังจะบานอย่างนี้ บัวอันนี้กาลังจะโรยบัวอันนี้กาลังจะบานหมายความว่าไหมายความว่าบัวมันก็มีการตูมนะพอการตูมแล้วมันก็บานใช่ไหมยอย่างนี้พอบัวที่กําลังจะบานเนี่ยสีของเขาก็จะเข้มหน่อยมีสดใสมีชีวิตชีวาเรียกว่าอย่างนั้นแล้เนาะอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าบัวที่ตูมเนี่ยแล้วกําลังจะโรยเนี่ยตรงนั้นสีเขาก็จะแบบว่าจืดๆซีดๆนะจะเรียกสีเศร้าหมองก็ได้นะอย่างนี้นั่นคือถ้าเทียบ เมื่อวานนี้นะเขาตูมอยู่แล้วก็ก็บานเนาะอย่างเงี้ยพอวันนี้เขาตูมอยู่เนาะแล้วเขาก็กําลังจะบานอีกทีแล้วเขาก็กําลังจะโรยเนี่ยตรงเนี้ยเออมันก็ได้เห็นนะว่าเออ น, นี่ธรรมชาติเนาะแบบว่าของบัวเขาจะบานสองครั้งบานครั้งแรกเนี่ยเพื่อที่ว่าเขาจะผสมเกสร น, นะอย่างนั้นพอบานอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นก็บานเพื่อที่จะโลยอย่างเงี้ยเนี่ยก็เหมือนกับตรงเนี้ยก็ พอเราเหมือนกับเดินผ่านไปผ่านมาทุกวันทุกวันทุกวันเนาะเราเห็นอยู่ทุกวันทุกวันก็เห็นรายละเอียดต่างๆที่เพิ่มขึ้นเป็นความรู้เพิ่มขึ้นการที่เราปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันพอเวลาที่เราใช้สตินะดูกายเนาะเราก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกายเอาสติดูใจเราก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตรงเนี้เป็นสิ่งที่ มันไม่ไปไหนเสียนะยังไงก็ตามนะพอเราใช้เครื่องมือที่เรียกวสติก็ต้องเห็น ส, สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจตรงนี้พระเจ้าเองเนี่ยก็ได้นำทางเอาไว้แล้วเนาะใช่ไอย่างนี้บางถ้าเกิดว่าเรามีความเพียรเนาะที่จะดูเรื่องราวต่างนานาเ่านี้เนี่ยไอสิ่งที่เราเรียกว่าความไม่ทุกเนี่ยก็จะปรากฏกับเราแน่นอนอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าคือพอ พอนึกถึงเรื่องพวกนี้เนี่ยก็แบบว่าก็มองเห็นนะว่าพระพุทธเจ้านะก็ได้เตรียมนะก็เรียกว่าเหมือนทางสะดวกเนี่ยให้พวกเราเนาะและทางสะดวกที่พพระพุทธเจ้าเตรียมเอาไว้ให้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นทางที่แบบว่าไม่เคยผุไม่เคยพังนะ <c oughs> เป็นทางที่แบบไม่ต้องซ่อมไม่ต้องแซมอะไรเลยเ <c oughs> พราะนื่องจากว่ามันก็ สมบูรณ์แบบซะเหลือเกินอะไรเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยว่าวัดเนาะก็เป็นสิ่งที่วันนี้สุกโตอาจจะก่อร่างสร้างโตมาประมาณสัก40ปีอะไรเงี้ยนะแต่ว่านั่นคือตรงนี้เนี่ยพระเจ้าเองก็ได้เตรียมวัดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลณัแต่เวลุวันนู้นเนาะใช่ไหมอย่างนั้นอะไรเงี้ยเตรียมไม่ใช่ว่าหมายถึงว่า เตรียมอย่างที่คนอื่นหรือว่าญาติโยมเนี่ยมาก่อร่างสร้างให้แต่ว่านั่นคือเตรียมเนื้อหาที่จะอยู่ในวัดอ๋อมีวัดป ฏ, ฏิบัติแบบนี้นะตื่นเช้าแบบนี้นะตอนกลางวันทําแบบนี้ตอนฉันทําแบบนี้อะรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบระเบียบที่อยู่ในวัดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้ถูกกําหนดขึ้นมาถ้าหากว่าเราเข้าไปอยู่ในระบบระเบียบตรงนี้เราก็จะได้รับเขาเรียกว่าอานิสงส์เนี่ย ของสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกมากไอ้การที่ตันเช้าๆเนี่ยเวลาที่จะพูดอะไรให้พวกเราฟังเนี่ยการที่เอยบอกวาอ่าได้ขอแบบว่ากราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในองต่างๆ น, นานาเหล่านี้เนี่ยก็ใจก็นึกอยู่ทุกทีนะว่าเออเราพูดเท่านี้เนี่ยมันพอเพียงกับเขาเรียกว่า สิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มอบให้เราหรือยังเนาะอย่างเงี้ย <g iggle> ก็มีความรู้สึกเหมือนกับคำพูดสั้นๆเนี่ยมันไม่พอนะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันพอก็ได้นึกถึงนะก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่เราจะปฏิบัติบูบชาอย่างเงี้ยเนาะอย่างนีน้ก็คือการปฏิบัติบูบชาสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นอะไรก็กเกิดขึ้นกับเรานี่ยละ <g iggle> ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนอื่น แต่ทางเราเดียวกันพอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตรงนี้เนี่ยก็ได้นึกถึงหลวพ่อกำเขียนก็ได้เหมือนกับก็ได้พูดนำทางไว้ให้เราถ้าเราเนาะเขาเรียกรับผิดชอบตัวเองได้เนี่ยเราก็จะไม่ทำให้คนอื่นทุกข์อย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เป็นที่สุดเนาะเป็นที่สุดเราจะเรียนรู้เรื่องราวเดต่างๆนาน า, น า, นานทั้งโลกเนี่ย จะเป็นวิชานั้นวิชานี้ได้ไงก็ดีเนี่ยตรงเนี้ยไม่เหมือนกับการที่เราเรียนรู้วิชาธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการที่เราเอาวิชาที่เรียนรู้ตรงเนี้ยมาปฏิบัตินะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้มองเห็นนะได้มองเห็นคุณได้มองเห็นประโยชน์เนี่ยแล้วเราลองมองมอ ง, มองดูนะลองมองมองดูถึงก็เรียกว่า คุณประโยชน์ที่เราได้รับอยู่ในวันๆหนึงเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราเองเนี่ยได้เรียกมาได้ใช้ประโยชน์จากคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนาะทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยตรงเนี้ยนะมันเป็นสิ่งที่คุ้มนะคุ้มชีวิตเราไม่ให้ชีวิตเราเนี่ยตกไปอยู่ในอันตรายอะไรต่างๆนาน า, นาแต่ว่าทํานองเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ คุ้มมากกว่านั้นก็คือเราก็ได้เดินอยู่บนเส้นทางธรรมอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นช่วงเวลาอันหนึ่งที่ทางกรุงเทพเนาะก็ได้เหมือนกับว่าได้รวมจะเรียกว่ารวมตัวกันก็ได้นะจะจัดงานระลึกครบรอบปีหลวงพ่อในเดือนสิงหาก็ จะเป็นเดือนที่ทั้งเป็นเดือนเกิดแล้วก็เป็นเดือนที่หลวงพ่อละสังขารเนี่ยงานก็จะจัดวันเดียวเท่านั้นละแล้วก็มีความต้องการที่จะทำอะไรให้เกิดขึ้นหลายๆอย่างในวันนั้นแต่สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นหลายๆอย่างในวันนั้นก็คือทำยังไงถึงจะให้ธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยที่ให้ไว้เนี่ยเป็นประโยชน์กับคนทั่วๆไปนะตรงนั้นก็จะมีภาคหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการทาหนังสือนะแล้วก็ บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยมีอุบายทำยังไงที่ทําจดจําได้มีอุบายทำยังไงมีอุบายทำยังไงที่แต่ละคนเนี่ยได้เหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับได้สะดุดใจได้เก็บรับตรงนี้พอนึกถึงอุบายธรรมอันนี้เนี่ยนะก็ของหลวงพ่อก็โ้มีเยอะแยะไปหมดหลายหลายอย่างนะแต่ว่าอุบายธรรมของหลวงพ่อส่วนใหญ่ก็ก็ไม่ใช่เป็นก็เรียกว่าเป็นเล่เป็นคนอะไรเนาะ แต่เป็นสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยสอนซื่อๆสอนตรงๆเนี่ยเหมือนอย่างบอกว่ารู้ซื่ อ, อนี่แหละอย่างเงี้ยนะมีครั้งหนึ่งก็มีญาติธรรมที่เหมือนกับก็เข้าออกวัดอยู่เป็นประจำเนาะแต่เราก็รู้ว่าเขาก็เป็นเหมือนกับคนทำงานที่ถ้ากลับไปบ้านเมื่อไหร่ก็งานยุ่งแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วงานยุ่งตรงนั้นจะมีเวลาปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจอ ย, อย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่ว่า เวลาที่เหมือนกับหลวงพ่อไปที่พื้นที่ที่เขาอยู่ใกล้เคียงเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมาตลอดเวลาแล้วสิ่งหนึ่งก็คือน้องเหนือจากเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ย <c oughs> เขาก็จะม า, <c oughs> าก็เรียกว่ามาถวายอาหารมาคอยดูแลถวายนุ่งถวายน้ําในต่างหลังนะตรงนั้นก็ในขณะที่เขามาอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็จะใช้โอกาสตรงนั้นอะ่ะก็ถามเนาะถามธรรมะหลวงพ่อเนี่ยก็เรียกว่า สนใจถามมากๆเลยแต่ว่าคำถามอันหนึ่งที่เราเก็บเหมือนกับว่าเก็บอารมณ์ของการถามได้ก็คือเขาก็ามักจะถามว่าทำไมเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วมันไม่ค่อยได้ผลนะทำไมทำแล้วมันก็เหมือนกับทำไมทำยังไม่ค่อยได้อะไรต่างๆนานาเหล่า น, านี้มันอาจจะเหมือนกับ ก็าอาจจะเทียบกับธุรกิจที่เขาทาอยู่เนาะซื้อมาขายไปได้กำไรทันทีหรืออะไรต่างๆตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่คําถามก็ซ้ำซ้ำซ้ำซำอยู่ในบริบททํำนองนั้นอะไรเงี้ยก็หลวงพ่อก็เอ่ยในวันสุดท้ายที่ที่เป็นมือสุดท้ายที่จะจากลากันอย่างนี้นู่นคหลพ่อบอกว่าเออเนี่ยเวลาที่เราเดินบนหญ้าลกๆเนี่ยนะ เราก็เดินครั้งแรกเนี่ยย่คงย่าขามก็บาดเอานะใช่ไหมอย่างเนี้ยย่ามันก็ยังลกพื้นก็ยังไม่เห็นอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินบนเส้นทางนั้นไม่เปลี่ยนนะเดินทุกวันเดินทุกวันเดินทุกวันเดินทุกวันเนี่ยไอ้ย่าลกๆตัวนั้นมันจะเตียนมันจะกลายเป็นทางเตียนๆโล่งๆเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตะเข็บตะขาบอะไรเนี่ยที่ เดินผ่านไปผ่านมาเราก็จะเห็นเห็นได้ชัด <c oughs> คำว่าตะเข็บเนี่ยถ้าพวกเรารู้จักนะตะเข็บก็จะเป็นตะเข็บที่จะเป็นตะขาบตัวเล็กๆนะอย่างนั้นอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าก็หลวงพ่อก็ได้พูดให้ญาติโยมเนี่ยฟังตรงนั้นเองเนี่ยเราก็มองเห็นนะว่าตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเองเวลาที่พูดเนี่ยก็พูดด้วยก็เรียกว่าด้วยความเอื้อเฟื้อนะด้วยความเอือ้อเฟื้อ นุม่มเาก็มีเมตตาที่จะพูดให้เขาฟังแต่ว่าตรงนั้นพอเราฟังดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ตำหนิอะไรนะว่าเอะนี่ทำไมหวังมากหรืออะไรงไงต่างๆแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นเรื่องเป็นความเป็นจริงของชีทิ่ประจาวันเนาะถ้าหากว่าเราเดินที่ตรงไหนที่มันลกๆบางทีมันก็อาจจะใช่ไหมถูกความลกตัวนั้นเนาะ วุ่นวายกับเราบ้างอะไรต่างนานาแต่ถ้าเกิดว่าเราเพียนไปเรื่อยๆทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไอทางเตียนโลงที่หลวงพ่อบอกตอนนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆ น, นั่นนั่นคือตรงนี้ถ้าหากว่าพวกเราปฏิบัติทำกันไปอาจจะมีอะไรยุ่งยุ่งยากๆเกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งท้อเนาะเพียนทํากันต่อไปเนี่ยแล้วก็ความไม่ทุกข์เนี่ยก็จะเกิดกับพวกเราทุกคน